ดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิยาพิบาล น, นะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชุดพระเยซูตอนที่สามร้อยสี่สิบหกเรื่องพ่อของท่านคือมารพระชนะของพระเจ้าอยู่ในพระธรรมยอญบทที่แปดข้อที่สามสิบสี่จนถึงข้อที่สี่สิบเจ็ดพระธรรมยอญบทที่แปดข้อสามสิบสี่จนถึงข้อที่สี่สิบเจ็ดโปรดฟังพระชนะของพระเจ้า พระเยซูตรัตอบเขาทั้งหลายว่าเราบอกความจริงแก่ท่านว่าทุกคนที่ทำบาปก็เป็นทาตของบาปทาตไมิได้อยู่ในครัวเรือนตลอดไปบุตรต่างหากอยู่ตลอดไปเหตุฉะนั้นถ้าพระบุตรทรงกระทาให้ท่านทั้งหลายเป็นไทยท่านก็เป็นไถยจริงๆเรารู้ว่าท่านทั้งหลายเป็นเชื้อสายของอับราฮัมแต่ท่านก็หาโอกาสที่จะฆ่าเราเสียเพราะว่าท่านไม่เชือ่อถ้อยคาของเรา เราพูดถึงสิ่งที่เราได้เห็นเมื่ออยู่กับพระบิดาของเราและท่านทำสิ่งที่ท่านได้ยินมาจากพ่อของท่านพ่อของท่านคือมารเขาทั้งหลายทูลพระองค์ว่าอับราฮัมเป็นบิดาของเราพระเยซูตรัสกับเขาทั้งหลายว่าถ้าท่านหลายเป็นบุตรของอับราฮัมแล้วท่านก็จะทำสิ่งที่อับราฮัมได้กระทำแต่บัดนี้ทั้งหลายหาโอกาสที่จะฆ่าเรา ซึ่งเป็นผู้ที่ได้บอกท่านถึงสัจจะที่เราได้ยินมาจากพระเจ้าอับราฮัมมิได้กระทำอย่างนี้ท่านหลายย่อมกระทำสิ่งที่บิดาของท่านทำเขาต้องทูลพระองค์ว่าเราไม่ได้เกิดจากการล่วงประเวณีเรามีพระบิดาองเดียวคือพระเจ้าพระเยซูตรัสกับเขาว่าถ้าพระเจ้าเป็นพระบิดาของท่านแล้วท่านก็จะรักเราเพราะเรามาจากพระเจ้าและอยู่นี่แล้ว เราไม่ได้มาตามใจชอบของเราเองแต่พระองค์ทรงใช้เรามาเหตุไฉนท่านจึงไม่เข้าใจถ้อยคาที่เราพูดนั่นเป็นเพราะท่านทนฟังคำของเราไม่ได้ท่านทั้งหลายมาจากพ่อของท่านคือมารและท่านใคร่จะทำตามความปรารถนาของพ่อท่านมันเป็นผู้ฆ่าคนตั้งแต่ปฐมกาลและไม่ได้ตั้งอยู่ในสัจจะเพราะมันไม่มีสัจจะ แต่เมื่อมันพูดเท็จมันก็พูดตามสันดานของมันเองเพราะมันเป็นผู้มุสาและเป็นพ่อของการมุสาแต่ทั้งหลายไม่ได้เชื่อเราเพราะเราพูดความจริงมีผู้ผู้ใดในพวกท่านหรือที่ชี้ให้เห็นว่าเราได้ทำผิดถ้าเราพูดความจริงทำไมท่านจึงไม่เชื่อเราผู้ที่มาจากพระเจ้าก็ย่อมฟังพระวจนะของพระเจ้าทั้งหลายไม่ได้มาจากพระเจ้า เหฉะนั้นท่านจึงไม่ฟังคุณครับผมใช้เวลาประมาณสามนาทีเพื่อที่อ่านโระชนะของพระเจ้าตอนนี้เพราะเนื่องจากว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากและเรื่องนี้ก็มักจะพบในโบสถ์ด้วยเช่นเดียวกันครับคําว่าพ่อของท่านคือมารแท้จริงแล้วตอนนี้น่าจะใช้คําว่ามารวิทยาครับมารวิทยาก็คือเป็นเรื่องความรู้ เกี่ยวกับมารซาตานที่พบในพระกัมภีครับพี่น้อง <c oughs> ถ้าเรามาดูนะครับว่าชีวิตของคนคนหนึ่งนะครับจะต้องมีคุณพ่อคุณพ่อนี้แปลว่าอะไรครับโดยปกติแล้วชาวโลกถ้าพูดถึงเรื่องพ่อก็หมายความว่าก็คือสืบเชื้อสายครับแท้จริงในที่นี้พระเยซูกำลังบอกกับพวกเขาซึ่งเป็นพวกฟาริสีพวกธรรมจารพวกผู้สอนหรือครูทั้งหลายเขาบอกว่า ท่านทั้งหลายเป็นบุตรของอับราฮัมทางสายเลือดนะครับพระเยซูตรัสอย่างนี้ครับว่าเรารู้ว่าท่านทั้งหลายเป็นเชื้อสายของอับราฮัมคำว่าเชื้อสายก็คือทางพันธุ ก, กรรมครับทางเนื้อหนังเนื้อหนังนี้พวกเขาเป็นลูกหลานของอับราฮัมแต่ในฝ่ายจิตวิญญาณ น, นะครับเขาไม่ได้เป็นลูกหลานของอับราฮัมทางความเชื่อเพราะว่าพวกเขาไม่ยอมเชื่อคำที่พระเยซู ซึ่งมาจากพระบิดาพระเยซูเป็นตัวแทนของพระบิดาพระเยซูเป็นพระบุตรของพระบิดาเห็นคําว่าบุตรนั้นมีสองความหมายครับบุตรฝ่ายเนื้อหนังและบุตรฝ่ายจิตวิญญาณยิ่งกว่านั้นยังมีอีกความหมายหนึ่งครับก็คือคําว่าบุตรหรือลูกแปลว่ามาจากไปนอนครับพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้ามีความหมายว่าพระเยซูมาจากพระเจ้า พระเจ้า ส, ส่งพระเยซูลงมาพี่น้องครับในข้อที่สี่สิบสองชัดเจนนะครับพระเยซูตรัสกับเขาว่ า, า, life, า, า, า, าถ้าพระเจ้าเป็นพระบิดาของท่านแล้วท่านก็จะรักเราเพราะเรามาจากพระเจ้าเห็นไหมครับพระเยซูมาจากพระเจ้าพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้าคําว่าบุตรพระบุตรหรือบุตรนะครับแปลว่ามาจากก็ได้ครับเพราะฉะนั้นสามความหมายของคําว่าบุตรครับความหมายแรกก็คือความหมาย ทางด้านร่างกายเนื้อหนังพันธุกรรมความหมายที่สองก็คือความหมายของฝ่ายจิตวิญญาณและความหมายที่สามก็คือความหมายคำว่ามาจากหรือ come from นะครับ come from ภาษาอังกฤษเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับทำให้พวกเขานั้นกลายเป็นลูกของมนันนะครับในข้อที่สี่สิบสี่พวกเขาหมายถึงปริสีธรรมจารย์ ครูสอนศาสนาทั้งหลาย44ครับท่านทั้งหลายมาจากพ่อของท่านคือมารท่านใครจะทำตามความปรารถนาของพ่อท่านเถิงข้าพเยซูกำลังให้หลักการตรงนี้ว่าคำว่ามาจากนะครับมาจากก็ถือว่าเป็นลูกเช่นเดียวกันและท่านทั้งหลายหมายความถึงริสีพวกเขาเป็นลูกของมารครับ พี่เยชูใช้คำว่ามาจากพ่อของท่านและทำตามความปรารถนาของพ่อท่านนี่คืออาการแสดงหรือสัญญาณของคนที่เป็นลูกหรือคนที่มาจากพ่อของตัวเองก็คือจะต้องมีความปรารถนาที่จะทำตามน้ำพระทัยของพ่อของตนหรือ มารซาตานซึ่งเป็นพ่อของเขามีความปรารถนาหรือตั้งใจจะทำลายจะฆ่าคนเพราะไม่ได้อยู่ในสัจจะพี่น้องครับในเช้าวันนี้ผมอยากจะให้พี่น้องได้มีโอกาสคิดถึงความหมายที่แท้จริงครับพระเยซูเริ่มต้นอภิบายอธิบายและอภิปรายเกี่ยวกับบิดาของพวกยิวแน่นอนครับ คนยิวเขาเข้าใจผิดคิดว่าพระเยซูหมายถึงอับราฮัมแต่พระเยซูกลัดเกี่ยวกับซาตานครับเป็นธรรมดาอยู่เองที่พวกชาวยิวไม่ชอบโยงการที่พวกตนเกี่ยวข้องกับซาตานแต่พระเยซูก็ให้ข้อพิสูจน์ว่าถ้าว่าพวกเขาทั้งหลายนั้นเป็นบุตรของอับราฮัมพวกเขาก็จะต้องทำในสิ่งที่อับราฮัมได้กระทาอับราฮัมกระทำอะไรครับ ถ้าเราพลิกไปในพระธรรมฮีบรูบทที่11ข้อที่8เราจะเห็นนะครับว่าอับราฮัมเชื่อฟังพระเจ้าโดยความเชื่ออับราฮัมก็ได้เชื่อฟังเห็นไครับโดยความเชื่ออับราฮัมก็ได้เชื่อฟังหากว่าคนหนึ่งคนใดนั้นได้อ้างว่าตัวเองมีความเชื่อเขาจะต้องแสดงออกถึงการเชื่อฟังและในข้อที่13ของพระธรรมฮีบรูบทที่11 แต่บันถึกว่าคนเหล่านี้หมายความรวมถึงอับราฮัมและคนอื่นทั่วไปนะครับที่อยู่ในอเอ่ยชื่อเอ่ยนามอยู่ในบทที่สิบเอ็ดนะครับคนเหล่านี้ล้วนตายไปขณะที่ยังมีความเชื่อและยังไม่ได้รับสิ่งที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้แต่เขาก็ได้เห็นและเตรียมรับไว้ตั้งแต่ไกลและรู้ดีว่าเขาเป็นคนแปลกถิ่นที่ท่องเที่ยวไปในโลก คนเหล่านี้รู้ว่าสิ่งที่รอคอยพวกตนคือแผ่นดินสวรรค์พี่น้องครับคนที่มีความเชื่อเขาแสดงออกอาการของเขาก็คือการเชื่อฟังและเขายังไม่ได้รับสิ่งที่ทูลขอครับเขาตายไปก่อนท่านพี่บอกว่าเขาตายไปในขณะที่เขายังมีความเชื่อแม้ว่าจะไม่ได้รับสิ่งที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้แต่เขาเห็นได้ครับ เขาเห็นได้โดยสายตาฝ่ายจิตวิญญาณและการเห็นด้วยสายตาจิตวิญญาณนั้นก็เรียกว่าเป็นความเชื่อและเมื่อมีความเชื่อคนหนึ่งคนใดมีความเชื่อเขาก็เตรียมตัวเตรียมตัวรับไว้ตั้งแต่ไกลพี่น้องครับนี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากครับหากว่าเราทั้งหลายจะเรียนแบบบรรพชนแห่งความเชื่อหรือมันพรุษแห่งความเชื่อเราจะต้องเห็นครับเห็นจากที่ไหนครับ S 1> <S 1> เห็นด้วยจิตใจแห่งความเชื่อที่อยู่ข้างในของเราตาใจของเราต้องเปิดออกและเมื่อตาใจของเราเปิดออกเราจะได้เห็นสิ่งที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้แต่ไกลแม้ว่าเราจะยังไม่ได้รับเราก็จะเตรียมตัวเตรียมใจเตรียมชีวิตของเราที่จะรับเราต้องรู้ว่าโลกที่เราอยู่นี้เป็นโลกชั่วคราวครับเหมือนกับพวกเขาที่เป็นมนรรพชนท่านเหล่านั้นรู้ว่า ท่านเป็นคนแปลกถิ่นที่ท่องเที่ยวไปในโลกและรู้ว่าสิ่งที่ตนรอคอยที่เป็นนิรัน์ก็คือแผ่นดินสวรรค์นั่นเองเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากทำให้พวกเราทั้งหลายซึ่งเป็นบุตรของพระเจ้าเราเชื่อฟังพระเยซูเราเริ่มต้นก็ความเชื่อสุดท้ายก็ความเชื่อเราทั้งหลายเป็นคนชอบทาก็ดำรงชีวิตอยู่ในความเชื่อแต่หลายคนนั้นพลาดไปครับเพราะไปสะสม ของที่อยู่ในโลกนี้มากจนเกินไปจนไม่ยอมให้พระเจ้ามาเป็นที่หนึ่งมากจนเกินความจำเป็นและมีจิตใจที่มุ่งเน้นแต่ตัวเองไม่ได้มุ่งเน้นที่คนอื่นไม่มีชีวิตอยู่เพื่อคนอื่นนี่คือสิ่งน่าเสียดายเสียใจมากเพราะอะไรครับเพราะว่าคนเหล่านี้ก็ไว้วางใจในทรัพย์สมบัติคนเหล่านี้ไว้วางใจในทรัพย์สินเงินทอง คนเหล่านี้ไว้วางใจในทรัพย์สินที่ดินและอีกหลายหลอย่างเป็นเกียรติยศเป็นสงาราศีเป็นอะไรที่ต้องได้รับการยกจ่องคนเหล่านี้พลาดจากสิ่งที่เป็นนิรันดรเขาคิดว่าเขาจะอยู่ในโลกนี้และเขาไม่เคยคิดว่าเขาเป็นคนที่แปลกถิ่นและท่องเที่ยวไปในโลกนี่เป็นสิ่งที่ น, น่าเสียดายขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการเริ่มต้นเช้าวันใหม่วันจันทร์ ในการทำงานขอพระเจ้าเป็นที่หนึ่งในชีวิตเราทำเพื่อพระองค์เราทำเพื่อแผ่นดินของพระเจ้าและเราทำเพราะเหตุที่ว่าเราเป็นคนแปลกถิ่นท่องเที่ยวไปในโลกและเรารู้ว่าสิ่งที่เหนือกว่ายอดเยี่ยมที่สุดคือแผ่นดินสวรรค์ที่เราจะไปอยู่อาเม